สมถะญาณิวิปัสสนาญาณิมีมีคำตอบทั้งสองอย่างใช่ไหมบางคนก็บอกว่าสมถญาิบางคนก็คิดว่าวิปัสสนาญาิอันไหนถูกอันไหนผิดถูกสองออ <laughs> กลางๆไม่ได้ <ś led> ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถาขอถามอีกในวันที่พระพระบริบสัตว์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนั้นได้ปฏิบัติได้พุนถต้โนโูใช่ไหม ไดต้นโพพระบธิสัทธ์ได้ทรงปฏิบัติอะไรบ้างได้ปฏิบัติอนนาบานาสติแล้วก็สามารถเข้าชั้ที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่แล้วปฏิบัติอะไรต่อปฏิบัติกัจฉินสิบ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 ปุเบนิวาสะอเบญยนโดยอย่างนี้พระบริสัตว์ได้รู้และเห็นรูปนามป a รมา a ์เหมือนกันสาธุชนทั้งหลายอาจเคยได้ยิยนว่าพระบริสัตว์ได้บานลึกปุเ บ, บ, บนิวาสะอเบญยานในปฐมายาน แต่ด้วยอย่างนี้ไม่ใช่แค่รู้และเห็นอดีตชาติรู้และเห็นรูปนามปรมารรูปและใ น, นกันรู้และเห็นรูปนามปรมารอันนี้ถ้าเราพูดถึงวิปัสสนาญานยัน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 ได้บับบนลุดิบัจคุอภิญญาณเดวายอินส์ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ด้วยดิบจัจคุอภิญญาณพระบริสัทธ์ได้รู้และเห็นกรรมและผลของกรรมถ้าพูดถึงวิปสัสสนายานอันนี้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 อุบาดาเนคันคันฮาคือทุกขสนี้อนิปรกุายธรรมะจักกบวตนะสุสังเตนาปัญจุปาราเนขันดาดุขะรดยย่อปัญจุปาราเนขันดาอุบาดาเนคันฮาคือ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 ยามกลางก็เป็นม่จีมายามเดี๋ยวนี้ปจิมายามยามสุไทยนย hmm? ยายนายามสุไท้ายพระโบอดิสัตธ์เริ่มปฏิบัติวิปัสสนาอันนี้เป็นยาวทางปฏิบัติของพระโบอดิสัทธถ้าอย่างนั้นเราต้องเข้าใจว่าพระโบอดิสัตธ์คือสมถะญาณิก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 แล้วก็วปฏิบัติดอวิบอเบญญาณเพราะฉะนั้นสมาดิของพระโบดุดด hisat ไม่ใช่แค่อั ป, ปนาชาตสมาดิกําลังของกําลังสมาดิของพระโบดุดด hisat ลึกสิ้งมากสมาดิที่เกิดขึ้นในเวลาที่บังลึกอเบญญาณนั้นลึกสิ้งอย่างจรงิงจังด้วยสมาดินี้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 บุคคที่อยากจะเป็นสมถะยานิกต้องปฏิบัตกิกรรมฐานที่สามารถเข้าถึง่านได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นอันใดอันหนึ่งในส0สบถ้าสามารถเข้าถึง่านได้แล้วต้องปฏิบัติดวิปัสสนา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 สมมติวิปัสสนา12 2 12 2มีคำตอบอีกไหมเดี๋ยวนี้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 และนนามกรมรมฐานไม่มีมากกว่านี้ถ้าเราอยากจะปฏิบัตริรูปกรมรมฐานเราต้องปฏิบัติอะไรจำไม่ได้แล้ว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 อะไรที่แตกต่างและอะไรที่เหมือนที่แตกต่างก็คือมีอัปปนาชฌามาธิและไม่มีอปปนาชฌามาธิที่เหมือนในเวลาปฏิบัติวิปัสสนาทั้งสมถะยานิกและวิปัสสนาญานิกต้องปฏิบัติรูปเล็ดนำกรรมฐานใช่ไหมถ้าอางนั้นในเวลาปฏิบัติวิปัสสนา เหมือนกันหุด ต, ต้องปฏิบัตทิท่ากรรมฐานเป็นรูปกรรมฐานแล้วก็นำกรรมฐานต่อไปเข้าใจไหมยัยงงงงงไหมไม่ ง, งงแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้น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 รูปกรรมฐานก้อนนามเข้าใจไหมธรรมไมทําไมไม่อยากท้ามลิธรรมไมปัญจัวการะบูมิปัญจับวการะพุม่มปัญจับวการะพุ่เข้าใจไหมนัยนพุ่มที่มีขันหะ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 ใช่งั้นอาตมะไม่ต้องอธิบายด้วยภาษาไทยแล้ว <laughs> เข้าใจกันรบีดอาตมี <laughs> so can I explain in English <laughs> อาจจะเป็นสลับกันบางครัง้ง <laughs> <laughs> <laughs> now เราในายอยู่ในภูมิที่มีขันห้า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 นามเกิดโดยอาศัยรู้เพราะฉะนั้นนายวิสุทธิมักมิกมีกมกมมคามธิบายนายพุที่อยู่ในผู้ที่อยู่ในภูพิที่มีขันห้าต้องปฏิบัติรูปกรรมฐานก่อนที่จะปฏิบัตนินามทำไมนามอาศัยโดยรู้ เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ยังไม่ได้พิจารณารูปประมัติอย่างละเอียดไม่ไงที่จะปฏิบัตินมกรรมฐานเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติรูปกรรมฐานก่อนนำกรรมฐานเพราะฉะนั้นสมถะญาณิกหรือวิปัสสนาญาณิกในเวลาที่อามารสอนวิปัสสนาก็สอนรูปกรรมฐานเป็นกรรมฐานอันแรก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 ออยุบยุบอันนี้ก็เพราะว่าลักษณะพลักอันนี้ก็พลักอันนี้ก็ลักลักลัไหมเอต้องพิจารณาลักษณะพลักที่นี่ที่หน้าอกจนถึงชัดจจน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 ส่วนใกล้ชิดต้องพิจารณาลักษณะผลักส่วนใกล้ชิดแล้วก็ต้องพิจารณาจุนถึงชาติจีงที่นู่นแลาก็ต้องพิจารณาที่ท้องพองยุก ค, คืออะไรลักษณะผลักลักษณะอันเดียวอันนี้ทาดโลงอย่าไม่ครบ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 เทวดาสัตว์สทตว์เทวดาเท้ํททาแล้วซ้ําอีกจนจึงสามารถพิจารณาในทั้งตชาติจินเข้าใจไหมถ้าอย่างั้นถ้าสามารถพิจารณาลักษณะผลักได้อย่างชาติจินแล้วต้องพิจารณาดรอสัษณะแข็งใน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 ตามประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติทั้งหลายในเวลาพิจารณาลักษณะยาบไม่ค่อยชาตเท่าถ้าเปรียบเทียบกับลักษณะอื่นๆอืนนี้ไม่ค่อยชาตแต่ยังไงต้องพิจารณาเท่าที่ตัวเองสามารถทำได้ศีรษะเถ็นเท่าเทาถ็นศีรษะถ้าชาตจินแล้วก็ควรทำความพิจารณาอีก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 ริมฝีปากใช่ครับข้างในนะอ๋อผักพุ้งแก้มทีไหนอินลิปมฝีปากนะ่าจะใช่ใชครับเ <laughs> ข้าใจใช่หมจะว่ายังไงดี <laughs> <laughs> เนื้อเนื้อริมฝีปากด้านในอ๋อ <laughs> <laughs> เนื้อฝีปากข้างใน <laughs> ถ้า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 กะดิกอ น, นี้ดนิวใช่ไหมในเวลาที่นิวถ้าเรายกอันนี้ขึ้นมาในเวลาที่สูงขึ้นมาในเวลากะดิ๊กนิวเราเข้าใจลักษณะเบาได้เดี๋ยวลองทําดูเบาไหมเบาใช่หมเดยในเวลาที่อันนี้ ลงไปหนกักในเวลาขึ้นมาอนนี้บาอันนี้ตรงการัางค่ำลักษณะหนกักถ้าไปพิจารณาตรงการัางค้ำลักษณะหนักได้ก็สามารถปฏิบัติได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้อธิบายได้ถึงกี่ลักษณะแล้วแปดใช่ไหมใช่ไหมแปด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 ท่านกันเราต้องพิจารณาลักษณะร้อนลักษณะยินจุนถิงชาติเยนศีสาเดินเท่าเท่าถึงศีสันซ้ํ า, าแล้วซ้ําอีกแล้วต้องพิจารณาสิบลักษณะที่ได้ทํามาแล้วจุนถึงชํานั้นอันสุดท้าย2ลายและเกาะกุง้งอนนียาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะปฏิบัติ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 ถูกเ ล, เลีบหรืถูกถ้าเข้าใจก็พิจารณาลักษณะหลายโดยอาศัยเลือดที่ไหลยอยู่ทั้งตัวแล้วต้องพิจารณาสิบอิทลักษณะซ้ำแล้วซ้ำอีกสีสเดเท่าเท่าเทินสีสัดแล้วต้องพิจารณาลักษณะเกาะกุ้งเกาะกุ้ง เดี๋ยวทำแบบนี้ดู <c ười> ไม่ใช่จะชกนะ <c ười> เพื่อไม่เพื่อจะไม่ไปจะชกนะ <c ười> ชกอะไร <c ười> ชก <c ười> แล้วก็ถือดึงกำลังนะอันน<ล>ี้ก็ เข้าใจไหมเออนี้ลักษณะเกาะกุ้งลักษณะเกาะกุ้งถ้าเราพิจารณาลักษณะแข็งลักษณะพลาลักษณะหนักซำลักษณะนี้สามารถช่วยทำให้ลักษณะเกาะกุ้งชัดขึ้นมาได้เหมือนกันเข้าใจไหมถ้ายงานัครบ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 กศิณกสีสดินกสินน้ำกสินไฟกสิณลกแล้วก็กสีณที่เป็นอารม์กะกสินแล้วก็อากาศะทั้งหมดกสินสิทธิ์แล้วก็ให้ปฏิบัติต่อมิตากรุณามุดิตาอุเบกขาก็ทาให้ช่วยทาให้สมาธิดีขึ้น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 ภาษาไทยจะว่าอย่างนั้นลูกโปลูกโปงก็ไม่เห็นไม่เห็นขาไม่เห็นหัวไม่เห็นร่างกายไม่เห็นมือแล้วเห็นแค่ลูกโปง่งก้องท่าในเวลานั้นก็ต้องแนะนำให้ลูกศิกพิจารณาท่ายสีในก่อง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 ในเวลาที่ผู้ปฏิบัติปฏิบัติอนามบานาสติกรมะทันต้องฝึกจิตของเราจิตของตัวเองเพื่อจะสามารถกาหนดรู้ลงได้อย่างติดต่อต่อเนื่องถ้าไม่สามารถกำหนดรู้ติดต่อต่อเนื่องนานๆสมาธิจะไม่เกิดเด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 จะมารวมกับรวมเข้ารวมออกเป็นอันเดียวถ้ารวมกันเป็นอันเดียวในเวลาที่แสงเละลวมลวมกันลวมกันเป็นอันเดียวในช่วงแรกยังไม่มั่นคงดีตอนนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจแสงต้องกาเนดรู้รมต่อไปถ้ารวมกันเป็นอันเดียวนั้นถึงส0มสิบนาทีแสงมั่นคงดีตอนนั้น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 กลับเรียนถามว่าเราจะต้องทํำยังไงต่อจ้ะวันนี้สภาพเปลี่ยนไปจริงๆโยงมเมื่อวาคร่งครึ่งหลับครึ่งตื่นวันนี้เห็นไฟลเหมือนเปลิดไฟนะไหมดีอันนี้เพราะว่าโยมสามารถกําหนดได้ดีแสงประกฏขึ้นมาไม่ต้องไปสงสยัยไม่ต้องไปสนใจด้วยไม่ต้องไปใส่ใจแค่กําเนดรู้ลมต่อไป ถ้าสามารถหนูรู้ลมได้อย่างติดโตตอนแน่นมากขึ้นแสงที่ปรากฏแป๊บเดียวหายแปบ๊บเดียวหายอันนี้จะไม่หายจะปรากฏติดโตตอนแน่นแต่ถ้าไปสนใจแสงที่ปรากฏนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกำหนูรู้ลมถ้าเราไปสนใจแสงลืมที่จะกำหนูรู้ลมเราทำลายเหตุเพราะฉะนั้นผลก็จะหายไปผลที่เกิดขึ้นยังไม่มั่งคงดีเพราะฉะนั้นเราต้อง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 แสงที่ปรากฏมารวมกับลวมเข้าลวมออกเป็นอันเดียวถ้ารวมการเป็นอันเดียวไม่ถึงส0นาทีควรกำหนิดรู้ลมแค่แค่ลมต่อไปถ้ารวมการเป็นอันเดียวนานถึงส0สนาทียอมสามารถกำหนดแสงได้แสงแทนลมถ้าสามารถอยู่กับแสงได้อย่างติดต่อตอนนั้นๆา สมาดีจะดีขึ้นแสงก็จะจ้ามากขึ้นเดี๋ยวท่าต่อไก็สามารถเข้าฌานได้แต่ในการเข้าฌานก็ต้องปฏิบัติภายใต้ครูบาอาจารย์เข้าฌานไหมเข้าใจค่ะแล้วแล้วถ้าฌานเนี่ยเราจะยังได้ยินเสียงหรือสัมผัสจากโลกภายนอกหมคะเพราะว่าอันนี้อันนี้สมาดียังไม่เล็กซิ่งเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบนี้ถ้าถึงอัปนาฌานแล้วจะไม่ได้ยินอะไรเลยอไม่ใช่คะเข้าฌานอยู่ก็ไม่ได้ยิน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 คณิกาสมาดิไม่ใช่อุปัาราสมาดิไม่ใช่อปนาสมาดิในคำถามที่สองในพุทธการมีจำนวนมากทีเดียวที่สามารถรู้และเห็นและบานลุกมัคคิยาแงและผลลัยอย่างโดยฟังธรรมใช่ไหมเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้แต่ในปัจจุบนันนี้เป็นไปไม่ได้แล้วบุ้คลที่สามารถบันลุกถึงพระนิพพานโดยฟังแค่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 ยังไม่รู้ยังไม่เห็นรูปนามประมาตยเหตุและปะจัจจัยเหตุและผลแล้วก็ยังไม่ได้เคยปฏิบัติเข้าถึงอุสังขารูปรคัยยานที่ใกล้ชิดมคาคยยานและผลละยานสาริบุตรพระสาริบุตรที่จะเป็นพระสาริบุตรที่จะเป็นพระมามกลาน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 ในเวลานั้นเทวดาและพระอต 80, 80, 80, 80ิโกติแปดสิบดสิบขดแปได้บางลุกมากยานและผลลายานนี้เป็นพระสูตรที่อธิบายโดยละเอียดอันนี้เป็นบุคคลที่สอง ที่สามารถบรรลุได้ยิยนได้เมื่อเวลาได้ยิยนได้ฟังคำปฏิปไยโดยละเอียดสามารถบรรลุมกากกยานเล็ผมลยันแต่ในปัจจุบันนี้บุคคลที่หนึ่งบุคคลที่สองไม่มีไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามลำดับสวีอสสมาดิปัญญาตามลำดับขําไปไม่ได้ การมัพิธีการพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อกี้ได้ยินคำว่าอสงไขยแสงกลับโยมขออธิบายรายละเอียดหน่อยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์หนึ่งอสงไขยคือเลขหนึ่งตามด้วยศูนย์ร้อนจำนวนใบแตกดับของโลกเท่ากับหนึ่งอสงไขย